เอาแล้วน <c oughs> ก็เอาวางตดีวนี้นะข้าพโทนาอีกครั้งหนึ่งประเด็นในการถามว่าเราอยากจะเห็นความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยแล้วก็มีพระสาวกหรือพุทธบริษัท4ี่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาศกรหรือบาสิกา สืบทอดพระพุทธศาสนานำพาหมู่เวณนยชนให้เข้าถึงพระธนาไตรกันได้อย่างไรนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือแรงดนบันดานใจใดๆที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เราระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นแล้วเกิดความซาบซึ้งตรึงใจเป็นหลักในการดำเนินในการที่จะกอบกู้พระธรรมคำสอนของพระเจ้าให้ฟื้นฟูกลับมาเพื่อประชุมใน ใจิตใจของมนุษย์ในยุคนี้ได้เกิดความหานกล้าในการที่จะดําเนินเตินตามรอยบาทต菩 า, าสดานำพาตนเองให้เข้าถึงความสิ้นจากกิเลสและกองทุกตามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรีะสงุงเป็นต้นเหล่านั้นได้อย่างนี้พอจะใบเดินได้ไหมทีนี้ตอนสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่เราก็จะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงบากบั่นในการที่จะ นำพาหลักการให้คนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันมากมายแล้วในการประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าก็ไม่เห็นแก่ไม่ทรงเห็นแก่เน็ตกันเหนื่อยในการที่จะทำกิจของพระบรมศาสดาและแม้จะจ ะ, จะเสด็จดับขันธปรินิพานพระ อ, องค์ก็จะตรัสเป็นปัชิมะโอวาสไว้ว่าหันทธานีพิกเวอามันตยามิโววยธรรมาสังคาลาอัปมาเทนะสัมปาเทธา ในพุทธธรรมราชนี้ตัดเป็นสองตอนเหมือนกันพูดถึงบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้พูดถึงในหลักของความจริงพูดถึงกฎไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ไม่ใช่หลักปฏิบัติอันนี้เป็นหลักความจริงในประการที่1ประการที่2บอกว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะอันนี้แปลว่าท่านทั้งหลาย เมื่อพัฒนาปัญญาไปเห็นความจริงในข้อนี้แล้วท่านทั้งหลายจงยังตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นหลักปฏิบัติตนไม่มีศีลก็ดําเนินตนให้มีศีลตนไม่มีสมาธิก็ทําตนเองให้มีสมาธิตนไม่มีปัญญาก็ทําตนให้มีปัญญาเมื่อทําศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในตนแล้วก็พัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ก็คือมีสติกํากับอยู่แล้วก็พัฒนากระแสชีวิตของตนเองให้ให้ไปไประชุมในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เข้าไปเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ถ่ายถอนความประมาทหรือกิเลตทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกระแสชีวิตก็จะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นต้นได้อันนี้คือหลักการที่พระเจ้าวางไว้ก่อนที่จะไปนิพพานใช่ไหมหลังจากที่พระเจ้าไปนิพพานแล้วเนี่ยกลุ่มภาษาวกทําอะไรกันโอ้ยตื่นตัวกันไหมตื่นตัวอย่างมาก มีผ้าหากาศศพเป็นต้นเป็นประธานก็ประชมุมหลังจากทำํำสรีธกิจก็คือมีการเผาพระบรมศพพระพุทธเจ้าและแบ่งพระบระมสารีริกธาตุจบภายใน21วันแล้วหลังจากนั้นพผ้าหากาศศพก็ประชมุมเพื่อจะร้อยกองพระธรรมวินัยว่าถืนเอาจะกระจัดกระจายอย่างนี้คําสอนพระพุทธเจ้าจะไม่รวมกันเป็นหมวดเป็นหมู่จะไม่เจริญรุ่งเรืองจะไม่เป็นประโยชน์แก่คนนี้เป็นประโยชน์แก่นุชชนรุ่นหลัง ก็เลยนัดประชุมกันแล้วก็นัดว่าในพรรษานี้จะไปประชุมกันที่แคว้นมคตแล้วก็จะไปประชุมประทประมปฐมสังกายนากันที่ถ้าสัตบัตณาคูหาภูเขาเวภาระบันพดแล้วเพราะท่านก็ทํากันได้จริงๆแ้วก็มีพระเจ้าชาติตัวเป็นผู้อุปถัมภ์ทางด้านฝ่ายเป็นประธานฝ่ายคารวะและพระก็ทํากันอยู่3มเดือนก็สามารถ ร้อยกองพระธรรมวินยัยรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อไม่ให้กระจัดกระจายและได้เป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลั ง, งนี้เป็นต้นอันนั้นคือการตื่นตัวกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ไล่ามาตามลำดับจนถึงสรุป ก, ก็คือมาถึงยุคของพระเจ้ า, าโศกหลังจากพุทธปรินิพพานแล300้วสามร้อยปีพระเจ้ า, าโศกมหาราชเนี่ยในยุคนั้นน่พุทธศาสนาแพร่หลายไปทั่วชมพูทวีปเต็มไปหมดแล้ว ตามหัวเมือง ต, งต่างๆก็มีการมีพระบรมสารีเลขาธาตุทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นแฟนวัชชีไม่ว่าจะเป็นแฟนมคตไม่รู้จะไม่ว่าจะเป็นแฟนโกศลไม่ว่าจะเป็นเอ่อแ ฟ, น ส, น, น, แ ฟ, น, แฟนสักกะมีพระบรมสารีรลขาธาตุของพระเจ้าไปประดิษฐานอยู่มีพุทธเจดีทั้งหลายปรากฏอยู่พอสมควรพอถึงยุคพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกก็แผ่พระราชอำนาจขึ้นมาได้ปกครองขึ้นมาก็ พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ก็ไปเอาพระบรมสารีริกธาตุเหล่านั้นที่จริงเนี่ยยุคของพระเจ้าชาติสตูพอยุคปลายยุคเนี่ยพระเจ้าชาติตูพร้อมด้วยพระหมากระสบไปขุดเอาพระบรมสารีริกธาตุส่วนใหญ่เนี่ยเอามารวมไว้ที่เดียวแล้วก็มาฝังไว้พอยุคอีก300ปีพระเจ้าโศสมหาราชก็มาค้นพบตรงนี้เจอ แล้วเขมีศิลาจารึกถึงท่านด้วยแล้วท่านก็เอาพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ประดุดดังเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระจายไปตามที่ต่างๆแล้วท่านก็ตั้งคณะนิมนต์พระคณะสงฆ์อีก9สายแล้วก็นําพร้อมด้วยนําพระบรมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็ส่งไปทั่วโลกเลยทีเนี้ยพุทธศาสนาที่แผ่ขยายทั่วโลกก็คือนี่แหละโดยการมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นหัวใจหลักเป็นจุดหลัก เป็นปดุดดังพระพุทธเจ้าแล้วหมู่ภิกษุสงฆ์ก็นำพระบรมสารีริกธาตุนั้นไต่ไปตามที่ต่างๆแล้วก็บรรจุไว้ในพระเจดีในเมืองต่างๆในประเทศต่างๆในที่ต่างๆที่พระเหล่านั้นไปกันไม่ว่าจะเป็นลังกาไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิหรือไม่ว่าจะเป็นตามแคว้นต่างๆมากมายดันั้นพุทธศาสตร์นาก็วิ่งออกจากชมพูทวีปเข้าสู่ตามประเทศต่างๆแม้ไปถึงจีนก็ถึงใช่ไหมจเจริญรุ่งเรืองมากมายเลยนะี่ แล้วก็ทางประเทศลาวหรือฝ่ายศรีลังกาทั้งหลายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพมา่าเอวยังกาเอวยกัมพูชาเอวยประเทศลาวเอวยประเทศไม่ว่าจะในยุคนั้นน่ะไปทนถึงอินโดนีเซียเอยมาเลเซียเอยทางด้านของฟิลิปปินส์ทั้งหลายเหล่านี้พุทธศาสนาแผ่ปกคลุมหมดเลยแดนส่วนภูมิทั้งหมดเราก็จะเห็นนี้คืออะไรเนี่ยเกิดจากการผนึกกําลังกันในการประกาศที่จะนําพาพระพุทธเจ้า อยู่ในฐานะของพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระธรรมอยู่ในฐานะของพระธรรมพระธรรม 84%00 มพระธรรมอาคารนั่นน่ะก็จาริกในการที่จะโปรดเวนัยสัตว์หมุนเข้าสู่กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทําให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มน้ําแห่งพระธรรมได้เอาน้ำแห่งพระธรรมราลาดลดกระแสชีวิตจากการที่สัตว์ทั้งหลายเร่าร้อนด้วยกิเลสกิเลสเหล่านั้นก็สงบลงครับก็เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็แก่ชาวโลกเป็นนั้นมากอย่างนี้เป็นต้นนี่เริ่มมองเห็นไหม แล้วบางยุคบางสมัยพุทธศาสตร์นาก็เสื่อมลงแล้วก็มีการกอบกู้กันขึ้นมาใหม่ยี้เป็นต้นนั้นถ้าหากมองงี้ก็จะได้เห็นอพอมาถึงยุคสมัยพศออเป็นพันปีเช่นพัน170่งอยกว่าเงี้ยอันนี้มายุคของพระถังสำจั๋งแล้วสมัยพระเจ้าถังถัง ในราโฉงถังถังไทจงห้องเจตเตนในยุคนั้นพระถังสำจั๋งก็จาริกจากจีนที่จะมาศึกษาพุทธศาสนาในชมพูทวีปเวลาเดินทางมาเนี่ยต้องเดินทางรอนแรมด้วยความยากลําบากไหมต้องเอาชีวิตเขาเป็นเดิมพันธ์ไม่ในยุคนั้นยากลําบากมากาพระภิกษุก่อนหน้านั้นเน่ยเดินทางจากจีนเนี่ยเพื่อจะมาศึกษาพุทธธรรมในชมพูทวีปเนี่ยมากันเป็นเรือนพัน 9กเนเี่ยเสียชีวิตในระหว่างทางเหลือประมาณ 10% เพราะอะไรเพราะจะต้องผ่านทะเลทรายเดินผ่านภูเขาผ่านหิมะกว่าจะมาถึงอินเดียพากันล้มหายตายจากกันแต่เขาก็อุทิศชีวิตในการที่จะศึกษาพุทธธรรมคำสอนของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าเสด็จประทับอยู่หน้าที่ไหนทั้งๆที่อยู่ในฐานะเป็นพระบรมศาหรีเทาหรืออยู่ในฐานะของพระธรรมคสอน เขาจะจา่าที่เคยไปเฝ้าไปศึกษาเพื่อจะไปไปเดินตามคําสอนพระเจ้าเขาอยากจะรู้พระเจ้าสอนอะไรแล้วคาสอนพระเจ้าเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างไรเป็นต้นเขาอุทิศกายอุทิศชีวิตในการที่จะเข้ามาศึกษาคําสอนพระเจ้าโดยไม่เห็นแก่การว่าชีวิตของเขาจะปลอดภัยไม่ปลอดภยัยเขามุ่งมั่นเขามีความเชื่อมั่นมายุคของเอาอีกทันกว่าปี อันนี้ยุค 200-300 ปี400ปี500ปีมาตามลำดับพะยกพันกว่าปีสมัยพระถังซำจังเนี่ยตอนนั้นน่ท่านก็เอากับร่วมพระภิกษุสงฆ์ที่จีนเนี่ยนัดกันเป็น10รูป20รูปแต่พออยู่ต่อมาในยุคนั้นพระเจ้านดินห้ามออกนอกประเทศห้ามคนในออกคนนอกเข้าพระเหล่านั้นก็พากันไม่กล้าขัดคำสั่งมีท่านองเดียวคือพระถังซำจังเนี่ยท่านไปสน ท่านได้ตั้งปฏิ ญ, ญาาไว้ว่าท่านจะต้องเดินทางไปชมพูทวีปไปศึกษาคําสอนพระเจ้าไม่ได้ตายก็ไม่เสียดายชีวิตท่านก็เดินทางมารูปเดียวเห็น ไ, ไหมก็สามารถผ่านภูเขาผ่านทะเลราบเออไม่ได้ผ่านทะเลเออทรายแล้วก็เข้ามาชมพูทวีปมาศึกษาพุทธศาสนาแล้วท่านก็เขียนจดหมายเหตุว่าท่านไปที่ไหนบ้างเป็นต้นแล้วท่านก็มาศึกษาที่วิทยาลัยนารันทาจนจบ เมื่อจบเบ็เสร็จแล้วท่านก็เผยแผ่สอนอยู่ในอินเดียเป็นเหตุให้กษัตริย์ในอินเดียเนี่ยสิบแปประเทศในยุคนั้นน่ยนับถือต่างก็แย่งกันในการที่จะเป็นยอมบุปผาท่านอย่างนี้เป็นต้นนั้นมีชื่อเสียงด่งดังมากและที่สริงจริงท่านก็จาริกกับจีนแล้วก็นำพุทธนำคำสอนภาคศาษาภาษาสันสกฤตมาแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็มีคำพีพุทธศาสนาภาษาจีนมากมายม า, มายุคหลังๆเนี่ย ในจีนเนี่ยมีภิกษุเนี่ยที่อยู่ในประเทศจีนมีวัดอยู่ไม่ต่ำกว่า5 6, า้0 0 0ื่นหกวัดหรือเป็นเกือบ7เป็นแสนวัดแล้วมีภิกษุสงฆ์ไม่ต่ำกว่า2อล้านรูปอันนี้คือความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เดี๋ยวก็ซุดซอมเดี๋ยวก็เจริญขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นจากการที่ละพุทธศาสนาเนี่ยกว่าจะมาถึงพวกเราได้เนี่ยต้องฝ่าฟันมาทั้งนั้นไม่ได้มาด้วย ไม่ได้โรยด้วยดอกกลีบกุหลาบเลยนะมีน้ำเต็มเมมนพดฉะนั้นแต่ว่ามาถึงยุคพวกเราเนี่ยเป็นยุคสวยผลแต่ทั้งทั้งที่เราเห็นร่องรอยของพุทธเจดีพุทธสถานทั้งหลายเนี่ยุดโทมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยแต่เราไม่สามารถมายุคหลังเนี่ยคนในยุคหลังไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเอามายุคถึงสมองสองพันกว่าปีในยุคของท่านธรรมปารัอนาคาลิกธรรมปาระ อันนี้เล่าแบบคร่าวๆถ้าเราทั้งหมดเป็นเรื่องยาวอนาคาริกธรรมปาราเีท่านเป็นชาวลังกาสี่ลังกาท่านศึกษาพุทธศาสนาทีหลังแต่ก่อนท่านก็ศึกษาเรื่องคริสตอนนั้นนะ่ะ อ, อ, อังกฤษก็ดีก็ปกครองลังกาท่านก็มีอิทธิพลจากอังกฤษก็ทำให้ท่านศึกษาคริสศาสนาเป็นต้นอะไเนี่ยแต่ต่อมาท่านก็มาทราบซึ่งในคําสอนของพระเจ้าแล้วท่านก็เลยมี คิดอยากจะฟื้นฟูพุทธศาสนาในลังกาเป็นต้นด้วยแล้วท่านก็ต่อสู้มาเป็นตามดับแล้วท่านมีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วต่อมาท่านก็ไปรู้จกักพระที่ญี่ปุ่นชื่อว่าท่านโ ก, โกเซนคุณรัตนะแล้วต่อมาท่านก็ทั้ง2ท่านเนี่ยนาคาริกไงต่อมาเนี่ยท่านเป็นคารวาสนะแต่ท่านใส่ชุดขาวสมาทานเป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นประดุจดังนักบวชนั่นแหละแต่อยู่ในประเพศของคารวาส แล้วท่านมากับพระภิกษุที่เป็นคนพระญี่ปุ่นท่านก็พากันเดินทางมาที่พุทธคยาในยุคนั้นก็อยู่ประมาณพุพทธศักราช 2,434 ก็อยู่ประมาณคริสตศักราช ก, ก็ 1,891 นั้นท่านมาเนี่ยท่านมาต้องการอยากจะมาที่มาตัวภูมาเมืองพุทธเจ้ามาสถานที่พุทธเจ้าตัสรู้เป็นต้นเหล่านี้ ท่านก็ไปที่สารนาศแล้วก็เดินทางมาตามลำดับแล้วท่านก็มาที่พุทธคยา timely. ตอนนั้น it today, น่พุทธคยาเนี่ยโดนทางต่างชาติต่างศ า, า, าสนาเนี่ยเครอบงำคือพวกกลุ่มมหันพวกคินดเนี่ยเขาครอบครองสถานที่ตรงนั้นแล้วก็ในยุคประมาณ 7-800 ปีเนี่ยตอนในมุสลิมเตอร์เข้ามาก็ทำลายพุทธศาสนาเฮี้ยนเกลี้ยงหมด พุทธเจดีทั้งหลายแม้สถานที่พุทธกยาแต่ก่อนมีฟิกจุอยู่เป็นจำนวนกันเป็น 3,000 สี่พันรูปวัดวาลามใหญ่โตมโหฬารก็โดนไฟเผาจนราบคาบพุงเจดีทั้งหลายพังละเนร ะ, ะนาฏไปเสร็จแล้วก็กองพนุนเทนทึกตอนนั้นก็มีสถานเอ่อที่ต่างๆที่ยังไม่ถูกทำลายก็ยังมีอยู่ตอนนั้นที่ท่านเข้ามาเนี่ยท่านไม่เห็นท่านก็สังเวค สลดใจว่าโหเนี่ยสถานที่พระเจ้ทาทัรุ่นุตรสั ม, มาสปรธยานเนี่ยกับถูกตังศาสนาย่ำยีมาครอบงําชาวพุทธไม่มีโอกาสพยายามจะมาฟื้นฟูกันวิวกี่ยุคกี่สมัยก็โดนกีดกันอย่างนี้เป็นต้นพอท่านมาเห็นท่านก็คุยกับพระเนี่ยว่าเราจะต่อสู้ไหมท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปที่สถานไปที่พระท่านวัชระอาจพอหน้าผาของท่านเนี่ยรดลง พระแทนวัชระอาจท่านบอกอุเพงคาปิติก็โลดแล่นขึ้นมาน้ำตาไหลขนพองสยองก้าวขึ้นมาว่าที่นี้เป็นที่ตัสรุนุตรสัมมาสมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสตราเอกของโลกดูกันเลว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราจะเรียกร้องจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเรียกร้องเอาสถานที่ตรงนี้กลับคืนมาเป็นสมบัติของ พุทธศาสนิกระนทั่วโลกให้ได้แม้อวัยวะแม้เนือ้อเลือดเนื้อแม้ชีวิตแม้ทรัพ์สมบัติที่มีทั้งหมดจะหมดสิ้นอันตรธานไปท่านก็จะยอมสละแล้วถวายเป็นพุทธบูชาและท่านก็เริ่มพักอยู่กันที่นั่นแหละแล้วลก็ต่อสู้ทั้งเขียนจดหมายในทุกวันพิมพ์หนังสือเขียนจดหมายเรียกร้องส่งไปตามเมืองต่า ง, า ง, างประเทศต่า ง, า ง, างที่เป็นพุทธทั้งหลายเนี่ย แล้วก็ตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาเป็นพุทธสมาคมมหาโพโซไซตี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ได้รับการตั้งขึ้นนะักกุงโคลัมโบประเทศท่านไปตั้งที่ลังกาก่อนแล้วก็ท่านประธานนายก ส, สุมังคระมหาเถรนะเป็นนายกสมาคมท่านมีคนมาร่วมเยอะแล้วต่อไปก็เอาต่างชาติต่างๆทั้งหลายมาร่วมเป็นคณะกรรมการแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยแม้แต่ ประเทศต่างๆเหล่านี้นะที่มาเป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นประเทศลังกาประเทศพมา่าหรือตลอดถึงกัน ก, นกนต้าเออยจากจิตกองเออยจากอารัารกันและพูดแทนจากประเทศไทยนั้นน่ยถามว่าในยุคนั้นคือใครก็คือพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจันทระทัตจุธาธรซึ่งเราก็ไม่รู้จักในยุคนั้นสมัยราชการที่หเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นคณะกรรมการกันแล้วก็ จริงๆก็นี่ก็ตั้งเป็นคณนักทำการแต่คนที่ขับเคลื่อน จ, จริงๆคือนาคาฤกษธรรมปาละท่านโดนสารพัดโดนปะทุสไาลดา์โดนทุบโดนตีโหมากมายเหลือเกินที่สุดจริงๆเนี่ยชี่ยเห็นว่าแล้วในที่สุดจริงๆจากการที่ท่านก็เขียนเกณฑหมายฉบับแล้วฉบับเล่าฉบับแล้วเขียนถึงใครต่างๆเนี่ยต่อสู้ด้วยไปปาตกถาไปอภิปรายไปประเทศต่างๆไปเรียกร้องให้ชาวพุทธลุกขึ้นมา เรียกร้องในการที่จะซื้อสถานที่ตรงนี้คืนเรียกร้องให้น า, นานาชาติทั้งหลายกดดันอินเดียกดดันรัฐบาลอังกฤษให้มีการช่วยท่านท่านทำทุกอย่างในที่สุดจริงๆก็ฟื้นฟูกลับมาได้พอสมควรอย่างทุกวันนี้ก็กลับกลายมาเป็นสมบัติพุท ธ, ทธศาสนิกชนแล้วก็มีการทํานุบํารงฟื้นฟูพุทธศาสนาที่พุทธกยาขึ้นมานี้เป็นต้นถามว่าในกรณีอย่างนี้อยากคนคนหนึ่งที่ไปเห็นซากปรากหักพังของพุทธกยา แต่ไม่ใช่เห็นแค่สร้างปราการพังนะแต่ได้เจาะเห็นพระจริยาคุณของพระพุทธเจ้าเห็นพระสรีลักษณ์คุณเห็นพระพุทธคุณและปรารถนาอยากจะปลุกสถานที่ที่ประดุจ ด, ดังตายแล้วถูกทําลายขนาดนั้นล่ะให้มีจิตวิญญาณขึ้นมาให้สร้างสถานที่เหล่านั้นให้เอื้อเพื่อเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้านั้นทํากิจในฐานะเป็นพระอุปรมัสสดาประกาศหลักการของพระพุทธเจ้า ให้เป็นที่ประกอบกองบุญของพุทธบริษัททั้งหลายให้ชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกทั้งหลายนะได้ไปในะสถานที่ดังนั้นบุคคลที่เขามีศรัทธาไปโดยทั้งผู้มีมือนได้ไปกรอบอรัตนะกรอบเอาศนะีรัตนาะสมาธิรัตนะแล้วก็ปัญญารัตนะไปกรอบเอาศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาไปกรอบเอาพระรัตนาไตรหรือสิ่งที่มีค่าที่พุทธรัตนาะทั้งหลายมีค่าทั้งหมดใส่ห่วงกระแสจิตของเขาเกระแสชีวิตของเขา เขาจะได้เป็นคนไม่ยากจนอริยทรัพย์นําเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือความไม่ละความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปทรัพย์คือข้อมูลคือสุตตะทรัพย์คือจาคะคือการสละกกิเลสทรัพย์คือปัญญาทั้งหลายเนี่ยอริยทรัพย์ภายในทั้งหลายเหล่านี้บุคคลที่จะไปกรอบเอาทรัพย์เหล่านี้ได้บุคคลนั้นต้องมีศรัทธาคือต้องมีมือเหมือนกับมีเพชรนิจจินดาร่วงหล่นมาเนี่ยคนมือด้วนคนมือกุดเนี่ย ไม่สามารถจะหยิบเอาทรัพย์มาใช้สอยเป็นประโยชน์ของตนเองได้ชั้นใดถ้าคนไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถมากรอบหรือจับเอาทรัพย์คือพุท ธ, ธรัตนธรรม ร, ร, รัตนสังขรัตนในพุทธศาสนาให้มาเป็นประโยชน์แก่กระแสชื่อของตัวเองได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันท่านเห็นตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าเอาละเราจะปลุกจิตวิญญาณสถานที่ตรงนี้พุท ธ, ธสถานตรงนี้ให้มีจิตวิญญาณขึ้นมาแล้วอาราธนาพุทธเจ้ามาประทับ ให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นพี่ตัสรุณุตตรสัมมาสัมพรทธญาณของพระเจ้าให้หมู่อนาประชาราทั้งหลายไปแล้วเขาจะได้ไปเขามีศรัทธาเขามีมือเขาจะได้ไปกรอบเอาอริยทรัพย์ภายในนําสู่กระแสใจกระแสชีวิตของเขาเขาจะได้ดําเนินเขาจะได้เป็นคนไม่ยากจนเขายากจนมานานแล้วไม่มีทรัพย์คือศรัทธาจนถึงปัญญาเป็นต้นเขาจึงเป็นคนอนาถานในสังสารวัฏเขาจึงเจ็บปวดในสังสารวัฏ เนี่ยท่านก็ปลุกจิตวิญญาณขึ้นมาและที่สุดจริงปลุกได้ไหมได้คนไปเป็นเลือนล้านแต่ละปีนเนี่ยชาวพุทธหลั่งไหลไปไปอะไรกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปใช้มือคือศรัท ธ, ธากอบเอาอริยทรัพย์เขาไม่มีความเชื่อมั่นไปที่นั่นเขาเกิดความเชื่อมั่นเขาไม่มีความกล้ากล้าไปที่นั่นเขาได้ความกล้ากล้าเขาไม่มีสติไปที่นั่นเขาได้สติกลับขึ้นมาได้สมาธิได้ปัญญาได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญากลับขึ้นขึ้นมา แล้วเขาก็มีหลักในการดำเนินชีวิตเป็นต้นฉะนั้นถ้าเราได้ตรงนี้ขึ้นมาเราจะรู้ว่าพระบรมสารีริกธาตุพุทธเจดีทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเรามาเห็นในประเทศไทยทำไมเราไม่สามารถปลุกจิตวิญญาณของคนไทยคนพุทธหรือว่าบุคคลที่มีอัธยาศัยเขาให้เขาตื่นขึ้นมาฉะนั้นเราก็ต้องมีมีความบากบัน่นมีความมั่นตั้งมั่นมีความ ก้าวไปใจสู้ในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นพุทธสถานแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าได้มีโอกาสทำกิจของพระศ า, าสดาให้ให้พรัรรมหลั่งไหลในกระแสชีวิตของเขาเขาจะได้ออกจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนเขาจะได้เข้าถึงความเป็นอิสาระเสรีภาพและเขาจะได้ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพา ซึ่งสัตว์โลกในปัจจุบันนี้ยเขาจะได้ความสุขกันแต่ละทีก็มันต้องสุขต้องพึ่งพาต้องพึ่งพาอะไรพึ่งพาสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ต้องพึ่งพากิเลสต้องเสดแต่การเข้าถึงพระรตาณาตรัยเนี่ยเป็นความสุขที่เป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาเป็นความสุขที่ขจัดราคะโทสะโมหะเข้าถึงสุดจริตแล้วเข้าถึงความเป็นเสรีภาพได้อย่างแท้จริงพอจะมองเห็นนี่ยังพอจะชัดเจนไหม ม, มีอะไรจะถามต่อ ทำไมเลิดการที่หางก็ทันไยุคสองพันกว่าปีไม่ใช่ หลังมาแล้วหลังมายกหลังหลังใช่ใช่ใช่าวศีรษกงั้นกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยมันต้องต่อสู้ตงนี้ต้องมีความกล้าหาญต้องมีความบากบัน่นไม่ใช่ได้มาด้วยความ ง, ง่ายๆยิ่งของดีได้แล้วเนี่ยต้องอยากกลัวต่อความลำบาก ถ้าความลำบากนะั้นมันเป็นของที่มีค่าที่สุดต้องกล้าที่จะแลกสังเกตดูทีขนาดคนมนุษย์ในยุคเนี้สแสวงหาการมาคุณโอ้โหเขาทุ่มเททั้งชีวิตทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่ได้มีความหมายใดๆเลยแค่อยากจะได้เงินมาแค่นี้เองมนุษย์เป็นใช่ไหมาล่ะตืนกันโอ้โหจะตายเลยหนูทางานมาดยทีก็ใช่ไงแค่ซาไป แค่สายไฟนอกมนันกพุมเทขนาดโอเคยัง